นั้นไม่กาหนดกฎเกณฑ์ตายลงไปว่าเป็นคนไทยและเป็นคนจีนเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกาคนคเขมรคนดวนคนลาวไม่ใช่จำกัดอย่างนั้นไม่ได้จำกัดเรื่องารศาสนานะท่แต่กนตามไม่ได้จำกัดอย่างนั้ น, จ ำ, น, น, น, จ, ำ น, นจำกัดลงไปที่ตัวบ เกียรติชอบเหมือนกันคนไทยก็มีโกรธมีเกียรติชอบเหมือนกันคนจีนเขยังมีโกรธมีเกียรติมีชอบเหมือนกันใครว่าคนเนี่ยทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยก็มีโกรธมีเกียรติเช่นเดียวกันศ<อ ét> <al> าสนาคิก็มีโกรธมีเกียรติเหมือนกัน ศาสนาอิสลามก็มีโกรธมีเกียรติเหมือนกันพุทธศาสนาก็ยังมีโกรธมีเกียรติเหมือนกันหรือจะเป็นศาสนาแบบดั้มบันเช่นศาสนภาพหรือศาสนาฮินดูที่เราเคยพูดกันว่าพุคาของฮินดูก็ยังมีโกรธมีเกียรติเหมือนกันนั่นแหละคือธรรมะเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ โวมโกรธเกียดอาฆาตลัทยากันนั้นนั่นแหละคืออาทับมันเป็นทุกข์พระพทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่าโกรธเกียดมันเป็นทุกข์เมื่อโกรธให้คนนั้นคนนี้มาอบพู่ไปอย่างดั ง, ดง เทวดาและรลกสวรรค์จริงจะเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการขาดคิดเอาพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วหลายวิธีเลี่ยนกับครูกับอาจารย์มาก็าเป็นจนํานวนมากักธรรมะจริงๆนั่นคือตัวปกตินั่นเองปกติกายปกติวาจาปกติใจนั่นแหละคือธรรมะ ถ้าผิดปกติกายผิดปกติวาจาพิดปกติใจก็แสดงว่าเป็นอธรรมแต่เป็นธรรมะธรรมชั่วว่าอย่างนั้นดันั้นการศึกษาธรรมะนั้นจึงศึกษาหาของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้น มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอัปปุเจ้าเองเป็นคนแรกคนคนคนในประเทศอินเดียคนใดชอบก็ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าคนใดไม่ชอบก็ไม่ต้องไปศึกษากับพระพุทธเจ้าดังนั้นการศึกษาธรรมนั้นจึงมมันมีมากมันมีหลายครูหลายอาจารย์ ในประเทศอินเดียพ่อครูวิซิตธรรมจารย์เป็นอุปชาผมแต่เมื่อวดเป็นพานุม่มในระยะอายุยี่สิบปีท่านก็เป็นอุปชาให้มาวัดครั้งนี้เป็นห้องตาคอังนี้กท่านก็เป็นอุปัชาให้ท่านสอนท่านเล่าให้ฟังว่าในประเทศอินเดียนั้นมีลอยแปดละทิลอยแปดในกาย ร้อยเจ็ดอาจารย์ใครชอบอาจารย์ไหนรัฐที่ใดก็ไปหาอาจารย์นั้นรที่นั้นท่านว่าอย่างนั้นที่ต่างๆนั้นสอนกันนอนเสื้อ น, นอนน้ำก็มีไม่นุงเสือ้อไม่นุ้งผ้าก็มีกินข้าวเรียเอาเหมือนสุนัข ก, ก็มียินน้ำฮอนนอนย่างไฟนอนเสื้อ น, นอนน้ำอะไรมากมายหลายเรื่อง เราเคยได้ยินว่าสีปมสีเปื้ออะไรก็มีในประเทศอินเดียเป็นอย่างนั้นดังนั้นในเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกันการสอนนั้นแลแ้วจะใครจะสอนเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนมีปัญญาสามารถที่จะเอามาใช้ได้กับชีวิตของเราทัพอร์เจ้าของเรา เมื่อเขาไปศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ต่างๆเข้าสารออกสารได้แต่มันก็ยังมีโกรธเกลียดมีดีใจมีเสียใจมีอะไรอาวร์คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เนีเ่ย น, นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอเรื่องอดีตอนาคตนั้นอย่าไปสนใจ เราต้องพยายามให้จับความรู้สึกการเคลื่อนการไหวของลูกกายภายนอกแล้วก็ให้มีความรู้สึกความนึกความคิดมันคิดอะไรให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจไม่ใช่รู้ข้อปฏิภาควิจารณ์ไม่ใช่รู้อย่างนั้นรู้แล้วเหมือนตัดกระแส เราไม่ต้องติดกับควกคิดทำเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูเราไม่สามารถที่จะไล่หนูได้เอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวมันตัวเล็กหนูตัวโตวแมวมันไม่เคยกลัวหนูทั้งจากโตจะเล็กมันไม่ว่าอพอดีหนูออกมาแมวมันตะคุบพอนูตัวโ ต, วตวมันตกใจมันไม่เคยให้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 เมื่อมันโตมาเร็วๆมาแล้วถึงขนาดมันแล้วหนูตัวโตวขนาดไหนก็ออกมาจะออกมาจา ก, กติดโตร้อยโตก็ตามแม่มันต้องจับทั้งนั้นพอดีแม่มันจับปุ๊จับจังแหลงหนูสับตายทันทีแมวกินหนูจึงเลือดไม่มีเพราะมันตกใจจิตใจมันขาดทุกขีดมันเลย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 ที่ลงพอพูดนี่ก็ไมา่ให้เชื่อขาพพระพุทเจ้าท่านถัดว่าอย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเสื้อถือเห็นว่าทาตามกันมาอย่าเสื้อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำรา ห, หรือมีอยู่ในกำพีสิบข้อด้วยกัน เราจะไปเสื้อทำไหมเสื้อขุดดังนั้นฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ไม่เสื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างกังแล้วเสื้อทันทีอย่างที่องคุลิมานเสื้ออาจารย์อาจารย์จะสอนวิสาดีๆให้ถ้าหาคนมาถึงพันคนแล้วอาจารย์จะสอนขา ตัวได้ดำดินบินวนไดน้องคุริมานเป็นคนใจถึงคนอยากดีกจริงๆก็จะไปข่าคนเป็ น, น, ปนยังงไอ้ น, นั่นก็แสดงว่าฝังและเสื้อทันทีไม่ได้คุณแต่โซกดีมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปขวางหน้าไว้หรือไปทวนกระแสขององคุริมานไว้ องคุลิมานจะไปฆ่าแม่ตัวเองเพอไปที่ไหนทางไหนก็คนตื่นดังเล่าลือไปว่าองค์ุลิมานเป็นมหาโจรฆ่าคนไปตั้งพันคนนี่ก็อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปต้อนหรือไปควงหน้าเอาไว้องค์คุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยเลิกหลงกลคิดที่จะฆ่าแม่ตัวเอง แล้วไม่เชื่อก็อยากอุปการศีวคุหนึง่งเสแสร้งหาพระพุทธเจ้าต้องการธรรมะจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตัดกระรัวออกมาใหม่ๆจะไปโปดพวกปัญจวัคคีเดิน ม, มาเข้ามาพบนักบวชคนนี้แหละคนแรกที่สุดโยมถามอุปการชีวคุณนี้แหละพอดีเจอพระพุทธเจ้าเขาก็พระพุทธเจ้า มีกิริยามารยาทหน้าตาแค้งขามือเท่าสวยงามมีเดินไปละมัดระวังไปยนงนั่งกระถามท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนธรรมะหมไหนน่าเลื่อมใสน่านับถือนี่ถามพระพุทธเจ้า พระวิชาคนตอบเขาให้ว่าเราไม่ได้เป็นผิดของใครไม่อยู่ในสำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เรารู้เองเห็นเองเองข้าใจเองตัดรู้โดยชอบพูดอย่างนี้สักพอดีผูดให้ฟังถามคนนั้นก็ไม่เสือเลยเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังคนพูดอย่างนี้แลกดื้นให้ขันหลังให้คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์ จะรู้ได้ยังไงนี่เขาใจอย่งนั้นใครจะรู้แทนเราไม่ได้ยังญาติโยมหรือเพื่อนพิสุสมณเณรพระสงฆ์องค์เจ้าฟังผมพูดอยู่เดียวนี้เร็วฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะ น, นี้ท่านรู้ความทิดของท่านหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นความทิดของท่านหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อรู้ความทิดของหลวงพ่อ าคนอื่นจะรู้ดีก่อตัวเราไม่ได้ตัวเราเองรู้ดีกว่าคนอื่นทางนั้นใะขั้นตอนอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติทำมากวตัวเราเองเป็นคนรู้ตัวเราเองเป็นคนเห็นตัวเราเองเป็นคนเข้าใจท่านเรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยเราให้รู้จักว่าอารมณ์คือมันนึกมันคิดนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ถ้าหากว่าเราไม่มีอารมณ์ เราควรู้อันนี้แหละเดียวว่าเราปฏิบัติธรรมะอันธรรมะแบบนี้น่นะมันมีมากอ่อนพระพุทธเจ้ามันเป็นธรรมชาติไม่เป็นของไทยไ ม, ไม่ใช่เป็นของจีนไม่ใช่เป็นของจีนไม่ใช่เป็นของคนไทยซึ่งของ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 มันเกิดการขัดแย้งอยู่ภายในใจิตใจเราเองไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไม่รู้ว่าใครเป็นศิษย์รูทํา ที่ไม่รู้ทำคนที่รู้ทำ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 ถ้าจะมีซิริสอยู่ก็มืนอนกับคนตายแล้วทันวันเพราะมันทำผิดพูดผิดคิดผิดนั่นเองคนใดรู้ตัวตื่นตัวรู้ใจตื่นใจรู้ความคิดของเรามันนึกมันคิดเห็นรู้เท่าทันเหตุการณ์นั่นแหละคือเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลคนรักษาจินจริงใจยู่กว่าสารทาหา ยังไม่รู้ความคิดของตัวเองไม่เข้าใจความคิดของตัวเองนั่นก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากศาสนาในทางตรงกันข้ามถ้าคนใดไม่เข้าวันไม่รักษาสนาไม่กินเจไม่อะไรก็ตามแต่รู้ แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คนรู้จักปกติเมื่อรู้เห็นปกติแล้วเข้าใจปกติแล้วนั่นแหละควรมีสิ่สิ่งจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่งางกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างยาบคืออะไรพูดตามภาษาที่บ้านขอเราคือโทส ต่อไปก็คือกิเลสตัณหาอุปทานนี่เท่านั้นเองเมื่อโทสะโมหะโลภะลดน้อยเบาบางลงไปกิเลสตัณหาอุปทานลดน้อยบาบางลงไปสิลก็มีแล้วปรากฏขึ้นมาเองเพราะกิเลสเหล่านี้ลดน้อยหอยไปหรือบาบางไปแล้วสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมาดังนั้น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 ปฏิบัติให้รู้ตัวปกตินี่เองคนนี่ผิดปกติไปทางดีก็ช่างชั่วก็ตามเขาเรียกผิดปกติคนผิดปกตินั้นท่านเรียกว่าบ้าเป็นอย่างนั้นดีใจสุขีดเสียใจสุดขีดท่านว่าบ้าทางนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเยอะไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นปกติการทําการพูดการคิด ทำไปด่านหน้าที่พูดไปด่านหน้าที่แม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทำงานยิ่งมากกว่าปุถุชนคนธรรมดาเพราะท่านมีปกตินี้เองถ้าจะพูดไปให้ก้งก่ว ง, วงทั้งคนเป็นนิพพานก็ได้เป็นเท่ า, ารหันก็ได้อันควรปกตินี้เพราะมันสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ ไม่ใช่จะไปรู้คนนั้นไม่ใช่จะไปรู้คนนี้ไม่ใช่จะไปรู้ดวงทิศดวงจันทร์ที่ไหนกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเอามาใส่คูของกับชีวิตของเราชีวิตของเรามันมีค่ามากที่สุดมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนทาบุญมากๆหมดเงินเป็นล้านโกดเป็นไม้โกดติดถ่าโกดเป็นแล้วมัน แต่มันก็ดีบทนานนานโกดเป็นไหมโกดเป็นถ้าโกเป็นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรแต่มันก็ดีอันนั้นเรียสมมุติท่านจึงศึกษาให้รู้สมมุติบัญญตัติปรมาบัญญตัติอัจฉริบัญญัติอริยบัญญัติให้รู้จริงๆมันสมมุติพูดกันขึ้นมามันเป็นจริงๆโดย ใจจิตใจนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกตามันนึกมันคิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยบททาบถทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้ท่านสอนอย่างนั้น เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิทธิปฏิยอ่ยอยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนให้มีสติรู้อย่างนี้นี่เองจึงมีวิธีทำเพราะคนเราระดับสติปัญญาไม่เหมือนกันการกระทำแบบนี้คนแก่ก็ทำได้ แม่เรือนก็ทําได้คนหนุ่มคนสาวก็ทําได้เด็กนักเรียนก็ทําได้เพียงเรานั่งเก้าอีกกกา้ก็ได้นั่งอับเทียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ที่สุดนอนก็ทําได้เราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวมีจังหวะท่าทีทําำ่้อมือลง ให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่ว่ารู้พิกมือควบมือไม่ใช่รู้อย่าง น, นเพียงเอารู้น้อยว่าเราพิกมือขึ้นรู้มันไหวขึ้นไปควบมือลงมันรู้ไหวขึ้นไปให้มันรู้เหมือนพิกตารู้เหมือนหายใจเราพิกตาเราหายใจมันเป็นอย่างนี้ ต, ตลอดมาเราไม่เคยรู้มันและการเคลื่อนการไหวของภายนอกนี่ มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยรู้ดังนั้นจวีวาปรับมาศึกษาที่ตัวจริงของมันเป็นธรรมชาติศึกษาธรรมะกับธรรมชาติของมันจริงจริงจึงมีวิธีทรมีวิธีสร้างจังหวะขึ้นพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัวเอามือขึ้นเข้ามาหา สะดือของเรารู้สึกตัวเลื่อนมือขึ้นที่สะดือมาไว้ที่หน้าอกรู้สึกตัวเอามือออกจากหน้าอกไปไว้ตรงข้างรู้สึกตัวลดมือลงที่ขาเราหรือเอาไว้ที่ไหนก็ตามเนียถึงที่เราค่รู้สึกห่วมลงทํากันอยู่จางนั้น <c oughs> เรื่องนี้ไม่นาะนถ้าทําจริงทํำจริงแล้ว ไม่เกนสามปีเพราะในตำรามีอยู่ว่า <c oughs> ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ทันวันนั้นอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็ มีอาณิสงส์กระกาศหรือเป็นพระอรหันต์ได้ในปัจจุบันชาตินี้หรือครนี้เป็นอะไรสอง เราอย่างใครห่างไครจากนิพพานแต่มันจะไปนิพพานแล้วไปติดวิธีนั้นไปติดวิธีนี้เราไม่ตั้งใจเดินไปหานิพพานเอาสมมุติกันไปได้เราอยู่บ้านเราเราจะเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตามเราไม่ตั้งใจเราจะไปแวะที่นั้นไปแวะที่นี้ผลที่สุด ลูกทีรร่เนี่ยทำแต่ตั้งใจไปแต่ไม่ไปไม่ถึงเขาเาา ร, รียกลกที่เนี่ยทำคือตั้งใจทาําการทํางานอะไรก็ตามเแหละแต่ตั้งใจว่าจะทําให้มันเสร็จมันทําไม่เสร็จนั่นเขาเรียกว่ลูกทีรร่เนียทำบัดนี้คนหนึ่งตั้งใจว่าจะไปอําเภอนั้นตำบลนี้หรือจังหวัดนั้นจังหวัดตั้งใจลงเงินเราไปไปให้ถึงจังหวัด ตนี้ตำบลนั้นตำบล น, นี้เห็นผููคนหลักชนะจิตจิตกระทำการงานของตำบล น, นั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นอันนั้นเขาเดียวไปถึงจุดหมายปลายทางเรื่าโลกอุตละธรรมรอจว่านิพานเขาได้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจในคำพูดคำสอนเหล่านั้นเพราะมันเป็นศัพเป็นแสงคำพูดของคนอินเดีย แต่คนไทยแท้ๆอย่างที่ผมหรือหลวงพ่อพูดนี้ก็ยังไม่เข้าใจบางคนพูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายคนแล้วอย่างที่เราเคยทำบุญเคยอุทิศอะไรต่างๆระหว่างสุดที่น้งวัตกเนธานางอาสาวะคยะหังหัวตุ้าระเจ้า ยินดีในทานการถวายของข้าพเจ้านี้ยงถึงซึ่งควมสิ้นไปแห้งอาสวะของกิเลสนีของกิเลสที่สำคัญเครื่องรองสันดาษท่านกล่าวว่าพนิพานในอนาคตการเบื้องหน้านุนเถินแต่เราไม่ยอมเสียสละไม่ลกกิเลสที่มันเปิด ไม่อมบกยอมถามเหล่านี้เรียกว่าเป็นโลกิยธรรมให้ว่าทำประกอบด้วยโลกทำอยู่กับโลกนี่จะทําดีเท่าใดก็ทําอยู่กับโลกมันไปนิพพานไม่ได้มันไปโลกุตตรธรรมไม่ได้ดังนั้นคําพูดคําสอนนี้มันจึงสําคัญให้เราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้ว เ, เราจะไป ินดีนอนดีไปดีสบายดีแต่ไปให้มันถึงที่สุดคำว่าไปให้มันถึงที่สุดที่ไปที่ไหนเราก็ดูใจเราจิตใจเรามันคิดสับสนวุ่นวายอดไม่ได้ผิดปกติแล้วนี่เราก็ทิ้งเฉยๆลักษณะเฉยๆนี่ไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งขึ้นมามันมีอยู่แล้ว เสริ้ยเสรยมันคิดกนมา musical okay. เขาทันคนไกหลรือมาอยาของอจิตใจนี่ไม่เป็นทำที่มีก็จากนี้จากไหนาหายสูญก็เราไม่รู้นี่เองนันควไม่รู้นั้นภาษาธรรมะเดียวกโมหะอาษาธรรมะเดียวกโมหะอาษ า, าขึ้นบ้านน่ะยวกหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจพันไวน้ยอย่างไร ดังนั้นจริงกษาหาของจริงจริงไหมมองเห็นต้นไม้มองเห็นคนเดินไปมองเห็นคนนั่งมองเห็นคนนอนเนี่ยอันนั้นจริงไหมนั่นแหลตาหน้าที่ของดูหูจึงเป็นหน้าที่ของฟังแต่ตาดูตามันไม่รู้หูฟังหูมันไม่รู้คือตัใจมันรู้มันเป็นฐาน ทางเดินของกิเลสมันเป็นทางเดินของอวิชชาคือหัวมไม่รู้มันเที่ยวเข้าเที่ยว อ, ออกเดินไปเดินมาเราไม่รู้แบบนี้เรามาศึกษากับธรรมศาสตร์เราไปไหนมาไหนมันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจพอดีมันถูกเห็นคมคิดมันถูกหยุดทันทีเหมือนเราขุดบ่อน เราขุดถาน้ำ้ำไม่จักขุดสูงสูงกว่าตามขุดเดินผูบกว่าตามแล้วขุดที่ลุ่งที่ดอนขุดที่ไหนกว่าตามแต่พื้นดินนี้ต้องมีน้ำทุกผลทุกแหก่งขุดลงไปลึกๆไปเจอน้ำ